เพื่อมาพัฒนาชีวิตจิตใจให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองขึ้นไปตามลาดับเพราะการเจริญการพัฒนาจิตใจเป็นการพัฒนาที่ถาวรเป็นการพัฒนาที่แท้จริงส่วนการพัฒนา ทางร่างกายทางราบยศสรรเสริญทางความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นความพัฒนาชั่วคราวไม่ยั่งยืนไม่ถาวรจะมีวันที่จะต้องสูญไปหมดไปไม่ว่าจะร่ำรวยขนาดไหน ถึงเวลาตายก็หมดไปไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ขนาดไหนเป็นพระราชามหากัตรเป็นประธานาธิบดีเป็นรัฐมนตรีก็จะต้องหมดสภาพไปเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วไม่ว่าจะมีความสุขจากสิ่งต่างๆมากน้อยเพียงไรก็ต่าง ก็จะต้องมีวันสิ้นสุดมีวันหมดไปการพัฒนาทางร่างกายจึงไม่ใช่เป็นการพัฒนาที่แท้จริงนอกจากไม่เป็นการพัฒนาไม่ได้สร้างความสุขความเจริญที่แท้จริงแล้วยังเป็นการสร้างความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปเวลาที่ต้องสูญเสีย สิ่งต่างๆไปใจก็จะทุกข์ทรมานเพราะมีความอยากที่จะไม่สูญเสียมีความอยากที่จะได้สิ่งที่สูญเสียไปกลับคืนมาใหม่แต่ก็เป็นสิ่งที่ทําไม่ได้ทําได้ก็เพียงแต่ต้องกลับมาเกิดใหม่แล้วกลับมาเริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่ มาสร้างมาพัฒนาร่างกายมาสร้างมาพัฒนาลาบยศสรรเสริญสุขใหม่แล้วก็ต้องสูญไปหมดไปใหม่แล้วก็กลับมาสร้างใหม่มาพัฒนาใหม่นี่เรียกว่าการเวียนว่ายตายเกิดเกิดจากการที่ไปหลงพัฒนาสิ่งที่ไม่ยั่งยืนไม่ถาวร จึงต้องกลับมาพัฒนาอยู่เรื่อยๆกลับมาพบกับความทุกข์อยู่เรื่อยๆอย่างที่พวกเราพบกันอยู่ในชาตินี้พบนี้ก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้พัฒนาสิ่งที่ควรจะพัฒนาเราไม่ได้พัฒนาสิ่งที่เป็นสิ่งที่ถาวรนั่นเองถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนา เราจะไม่รู้ความจริงอันนี้ว่าการพัฒนาที่แท้จริงที่ถาวรอยู่ที่การพัฒนาจิตใจเพราะจิตใจเป็นสิ่งที่ถาวรและจิตใจจะพัฒนาขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดจิตใจการพัฒนาของจิตใจเป็นอย่างไร ก็เพียรธนาจิตใจจากฐานะของการเป็นมนุษย์ให้ขึ้นสู่ฐานะของเทวดาให้ขึ้นสู่ฐานะของพรหมให้ขึ้นสู่ฐานะของพระอริยเจ้าขั้นต่างๆจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพาาระาอรหันตาสาวกหรือขั้นพาาระอรหันตาสัมมาสัมพุทธเจ้า อย่างที่พระพุทธเจ้าของพวกเราได้ท่งพัฒนามาพระองค์ทรงมุ่งไปสู่การพัฒนาทางจิตใจเพราะทรงเห็นว่าการพัฒนาทางร่างกายนี้ก็จะนำไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายความพลดพรากจากทุกสิ่งทุกอย่างไปในที่สุดพระองค์จึงไม่สนใจ ถึงแม้จะเป็นพระราชโอรส ถ, ถึงแม้จะมีพระราชวางังมีปราสาทสามฤ ด, ดูมีความสุขพร้อมบริบูรณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่พระองค์ก็ทรงเห็นว่ามันเป็นความทุกข์ที่จะตามมาเพราะมันจะต้องมีวันหมดไปเหมือนคาที่ก็พูดว่างานเลี้ยงย่อมมีวันสิ้นสุดลงเราเลี้ยง ก, กันกี่ครั้งกี่คราว เดี๋ยวมันก็ต้องมีวันสิ้นสุดเช่นเมื่อคือนนี้จัดงานเลี้ยงกันพอตอนเช้านี้งานเลี้ยงก็หมดไปก็ต้องจัดใหม่กันอยู่เรื่อยๆจัดเท่าไหร่มันก็จะหมดไปเท่านั้นความสุขที่ได้จากการจัดงานเลี้ยงมันก็จะหมดไปไม่ว่าเราจะจัดขึ้นมากี่ครั้งก็ตามแต่ถ้าเรามาพัฒนาจิตใจ มาสร้างความสุขภายในใจความสุขภายในใจนี้จะไม่จางหายไปจะติดอยู่กับใจของเราไปตลอดนี่แหละคือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้รู้ว่าอะไรเป็นการพัฒนาที่แท้จริงอะไรไม่ใช่เป็นการพัฒนาที่แท้จริงแล้วหลังจากที่ทรงได้พัฒนา พระไทยของพระ อ, องค์จนได้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้ดุดพ้นออกจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วพระ อ, องค์ก็ทรงนำเอาความรู้อันนีมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกต่อไปผู้ที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีศรัทธา น้อมนาเอาไปปฏิบัติก็จะสามารถพัฒนาจิตใจของตนให้ได้อยู่ในระดับเดียวกับของพ่พระพุทธเจ้าได้คือได้บรรลุเป็นพระอรหันตสาวกพระอรหันตสาวกกับพระพุทธเจ้านี้ความความสุขความเจริญนี้มีเท่ากันต่างกันตรงที่ว่าพระพุทธเจ้า เป็นผู้ส่งพัฒนาใจของพระพุทธเจ้าขึ้นมาเองส่วนพระอาหารหันต์ตสาวโลกนี้ต้องอาศัยคําสอนของพระพุทธเจ้าถึงจะสามารถพัฒนาจิตใจของตนให้กลายเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาได้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตรัศรูแล้วมาประกาศพระธรรมคําสอนให้แก่สาวโลก จะไม่มีพระอาหาัยตระสาวกปรากฏขึ้นมาแม้แต่รูปเดียวเพราะจะไม่มีใครมีความรู้ความฉลาดความสามารถพอที่จะเห็นว่าการพัฒนาจิตใจและวิธีพัฒนาจิตใจเป็นทางสู่การพัฒนาที่แท้จริงเป็นทางสู่การหลุดพ้น จากกองทุกข์อย่างแท้จริงพวกเราจึงเป็นหนี้บุญคุณของพระพุทธเจ้าอย่างล้นหลามเป็นหนี้มากกว่าเป็นหนี้ของพ่อของแม่พ่อแม่ของเราก็มีพระคุณอย่างใหญ่หลวงสาหรับเราแต่พระคุณของพระพุทธเจ้านี้ใหญ่หลวงกว่าพระคุณของพ่อแม่อีกหลายล้านหลายแสนเท่าด้วยกัน เพราะว่าพ่อแม่ของเราให้เราได้เพียงแต่กําเดิดให้ร่างกายมาแล้วก็เลี้ยงดูเรามาให้เจริญเติบโ ต, ตแล้วก็ให้ความรู้ความสามารถในการดำรงชีพไปอย่างไม่เดือดร้อนแต่พ่อแม่ไม่สามารถสอนให้พวกเราได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ ไม่สามารถสอนให้เราบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถทำได้สันโลกจึงเป็นหนี้บุญคุณของพระพุทธเจ้าอย่างนับประมาณไม่ได้ถ้าไม่น้อมเอาคำสอนมาปฏิบัติก็จะถือว่าเสียชาติเกิด เพราะว่านานๆจะได้มีพระพุทธเจ้ามาทรงตรัสรู้แล้วเผยแผ่พระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกสัตว์โลกที่มาเกิดอยู่ในยุคของพระพุทธศาสนานี้มีสิทธิ์มีโอกาส ท, ที่จะได้หลุดพ้นออกจากการเวียนว่ายตายเกิดมีสิทธิ์ที่จะพัฒนาจิตใจของตน ให้ขึ้นไปถึงขั้นพระอาหารหันต์ขั้นพระนิพพานได้ต้องมีพระพุทธศาสนาเท่านั้นถึงจะสามารถทำได้ถ้ามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีความสามารถพอที่จะปฏิบัติไปได้ด้วยตนเองก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอยู่เรื่อยๆ จนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นพระพุทธศาสนานี้จึงเป็นสิ่งที่ล้ําค่าอย่างยิ่งที่เราเรียกว่ารัตนาะพระรัตนาไกลพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่าทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆ ทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะดับความทุกข์ใจได้ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่จะสามารถดับได้ทำให้เราหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ ดังนั้นถ้าเราอยากที่จะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์เราจะได้พัฒนาจิตใจของเราให้สู่ขั้นสูงสุดให้เป็นพระอราหันต์ให้มีความสุขตลอดเวลาอย่างไม่มีวันสิ้นสุดไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายซ้ำแล้วซ้ำอีกเราก็ต้องน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เข้าสู่ใจของเราให้ได้ตอนนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เรารู้จักนี้ยังอยู่ข้างนอกใจของเราอยู่เช่นพระพุทธเจ้าที่เราได้ศึกษาได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราได้ยินได้ฟังพระอรหันตตสาวกที่เราได้กราบไหว้บูชาได้ศึกษาได้ฟังคำสอน ยังอยู่ภายนอกใจของเราอยู่ยังไม่สามารถที่จะทำให้ใจของเราบรรลุเป็นผ้าอาหารหันต์ขึ้นมาได้เหมือนกับยารักษาโรคที่เรายังไม่ได้รับประทานเข้าไปในร่างกายต่อให้เป็นยาวิเศษขนาดไหนก็ตามถ้าหมอให้ยาเรามาแล้วแต่เราไม่รับประทานยานั้น โรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่ในร่างกายของเราก็จะไม่มีวันที่จะหายได้เราต้องรับประทานยาตามที่หมอสั่งตามที่หมอให้มาถ้ารับประทานเข้าไปในร่างกายแล้วยาก็จะสามารถทําหน้าที่เข้าไปทําลายเชื้อโรคที่ทําให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาได้แล้วโรคภัยไข้เจ็บ ก็จะถูกทำลายหมดไปชั้นใดการพัฒนานจิตใจของพวกเราก็ต้องน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาสู่ใจของพวกเราการน้อมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือการที่เราจะต้องเราเลิกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆเระเลิกถึงพระธรรมคำสอนอยู่เรื่อยๆเระเลิกถึง ชีวประวัติการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของพระอรหันตสาวกทั้งหลายอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็ต้องปฏิบัติตามที่ท่านได้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติอย่างไรเราก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้นพระพุทธเจ้าส่งสอนให้เราปฏิบัติอะไรเราก็ต้องปฏิบัติตามพระอรหันตสาวกได้ปฏิบัติอย่างไร เราก็ต้องปฏิบัติตามสรุปแล้วก็คือต้องอยู่ที่การปฏิบัติปฏิบัติกายวาจาใจของเราให้เป็นไปตามแบบฉบับที่พระพุทธเจ้าและพระอาลหันตาสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติถ้าเราได้ปฏิบัติอย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาลหันตาสาวกได้ปฏิบัติ ผลที่เกิดกับท่านก็จะเป็นผลที่จะเกิดกับเราก็คือการได้บรรลุถึงพระนิพพานการได้บรรลุเป็นพระอระหันต์การได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้มันเป็นเหมือนกับยาถ้ามียาแล้วกินยาเข้าไปยาก็จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ก็เป็นยารักษาโรคของความทุกข์ใจถ้าเราน้อมเมาพระพุทธพระธรรมพระสงค์เข้าสู่ใจของเราใจของเราก็จะสามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้ไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดเวลาใดคำสอนของพระพุทธเจ้า วิธีปฏิบัติของพระพุทธเจ้านี้สามารถใช้ได้ผลไม่ว่าจะอยู่ในสมัยของพระพุทธเจ้าก็ดีหรืออยู่ในสมัยนี้ก็ดีเป็นยาชนิดเดียวกันเป็นวิธีการปฏิบัติแบบเดียวกันถ้าปฏิบัติแล้วผลก็จะต้องเป็นแบบเดียวกันเพราะเหตุกับผลนี้ไม่เสื่อมไปตามการตามเวลา จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเวลาที่มีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตัดสัรู้ก็จะทรงสอนเหตุและผลแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าของพวกเราได้ทรงสอนไว้เพราะความจริงมันไม่เปลี่ยนแปลงไปตามการตามเวลาเราจะมีพระพุทธเจ้ามาประกาศพระธรรมคำสอนอยู่เรื่อยๆเพราะจะมีผู้ที่มีความรู้ ความฉลาดมีความสามารถที่จะรู้ความจริงอันนี้ได้ด้วยตนเองถึงแม้ว่าจะเป็นเป็นเวลาอันยาวนานในแต่ละครั้งที่จะมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏขึ้นมาแต่ก็จะมีมาอยู่เรื่อยๆอย่างที่เคยมีมาในอดี ต, ตการสัตโลกก็จะได้รับประโยชน์ ทุกครั้งที่มีพระพุทธเจ้ามาปรากฏมาสั่งสอนจะได้รับประโยชน์ก็ต้องน้อมเอาคำสอนเข้ามาพิจารณาคิดมามาศึกษาให้ถ่องแท้ให้รู้ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างพอรู้แล้วก็นำเอาไปปฏิบัติถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติอย่างถูกต้องผลก็จะเป็น อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงได้รับอย่างแน่นอนดังนั้นพวกเราจึงไม่ต้องไปลังเลสงสัยอย่าไปคิดว่าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนเราแล้วเราจะไม่สามารถที่จะเรียนรู้และปฏิบัติได้เพราะพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดไว้ก่อนที่จะทรงจากพระองค์ไปแล้วว่าธรรมวินัยที่ พระพุทธเจ้าได้ส่งสอนให้แก่พวกเรนี้จะเป็นศาสดาแทนพระองค์ต่อไปพวกเราจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดาเพราะเรายังมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ที่เราฟังเทศฟังธรรมกันนี้ก็เหมือนกับได้ฟังธรรมจากพระโอษของพระพุทธเจ้าเลยเพราะเป็นคำสอนอันเดียวกันและจะมี ความสามารถที่จะยังผลที่จะมีสามารถที่จะผลิตผลให้ปรากฏขึ้นมาได้อย่างแน่นอนขอให้พวกเราน้อมมาปฏิบัติเท่านั้นเถิดแล้วรับรองได้ว่าผลจะต้องปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนเพราะมีพระอาลหลันตสาวกที่ได้น้อมนำเอาไปปฏิบัติและได้รับผลมาแล้ว อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่วันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระธรรมคาสอนจนมาถึงปัจจุบันนี้พระพุทธศาสนาของพวกเรายังมีพระอาหารหันตสาวกให้พวกเราได้กราบไหว้ได้เป็นผู้ที่มายืนยันแก่พวกเราว่าคําสอนของพระพุทธเจ้ายังมีประสิทธิภาพยังสามารถยังประโยชน์ ให้แก่ผู้ปฏิบัติได้เสมอขอให้ผู้ปฏิบัติปฏิบัติอย่างถูกต้องและปฏิบัติอย่างเอาจิงเอาจังเท่านั้นทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ส่งทุ่มเทเถิดแล้วรับรองได้ว่าผลก็จะต้องเป็นอย่างนั้นนี่คือเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ที่เราควรจะน้อมเอาเข้ามาสู่ใจด้วยการปฏิบัติพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกท่านทำทานอย่างไรท่านก็สละมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองมากน้อยเพียงไรท่านก็สละหมดเลยไม่เก็บเอาไว้เลยเพื่อที่ท่านจะได้มีอิสรภาพที่จะได้ไปบําเพ็ญไปรักษาศีลไปปฏิบัติธรรม เพื่อที่จะได้น้อมเอาคำสอนของ พ, พ่อพทธเจ้าเข้าสู่ใจเพื่อดับความทุกข์ต่างๆนั่นเองพวกเราก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันถ้าพวกเราพยายามทำกันตอนนี้เราก็ทำจากน้อยไปหามากถ้าเรายังไม่สามารถที่จะสละทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไปบวชไปอยู่แบบนักบวชได้ ก็ขอให้เราตั้งเป้าหมายไว้ตรงนั้นว่าเราจะต้องไปถึงจุดนั้นให้ได้ถ้าเราอยากจะไปพระนิพพานถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราอยากจะเป็นพระอาหารหันตสาวกเราต้องพุ่งไปที่การบวชให้ได้อยู่แบบนักบวชให้ได้ไม่ต้องทำภารกิจการงานอย่างอื่นไม่ต้องหาเงินหาทอง ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองเพราะการหาเงินหาทองใช้เงินใช้ทองนี้จะทำให้เวลาที่มีค่าของเราหมดไปเราจะไม่มีเวลาที่จะมาปฏิบัติธรรมได้ถ้าเรายังบัวหาเงินหาทองแล้วก็เอาเงินที่ได้มามาใช้ซื้อความสุขต่างๆซื้อมาเท่าไหร่ความสุขที่ได้มาก็หมดไป แล้วก็ต้องกลับไปหาเงินหาทองใหม่เพื่อจะได้มาซื้อความสุขใหม่มันก็จะวนอยู่อย่างนี้ไปถ้าเราไม่ตัดวงจรอุบาส น, นี้ก็คือเราต้องหยุดการใช้เงินซื้อความสุขต่างๆถ้าเราหยุดการใช้เงินซื้อความสุขต่างๆได้เราก็ไม่ต้องหาเงินแล้วเรามาหาความสุขภายในใจจะดีกว่าเราจะได้มีเวลามาปฏิบัติธรรม มานั่งสมาธิมาเจริญปัญญาแล้วเราก็จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวร น, นี่คือขั้นแรกเราต้องทำทานเราต้องสละให้หมดเราต้องตั้งเป้าไว้ว่าเราจะทำให้มากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราจะลดการใช้เงินให้น้อยลงไปเรื่อยๆแล้วเราจะลดการหาเงินหาทอง ให้น้อยลงไปเรื่อยๆถ้าเราหยุดใช้เงินซื้อความสุขได้เราก็ไม่ต้องไปหาเงินหาทองเราก็จะได้มีเวลามาปฏิบัติธรรมมาอยู่แบบนักบวชได้หรือถ้าบวชได้ก็บวชแล้วแต่สภาพถ้าเป็นผู้ชายก็บวชได้ถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะหาที่บวชลําบากก็อยู่แบบนักบวชไป ไม่ต้องบวชก็ได้แต่ก็ปฏิบัติแบบนักบวชหาที่สงบอยู่คนเดียวไม่ยุ่งเหยิงไม่วุ่นวายกับใครไม่สังคมกับใครทำที่อยู่ให้เป็นวัดให้เป็นเหมือนวัดวัดก็คือที่สงบสงัดวิเวกปราศจากสิ่งรบกวนใจทั้งหลายหาที่อย่างนั้นอยู่ก็ถือว่าได้บวชแล้วจะได้บำเพ็ญได้อย่างเต็มที่ บาเพ็แบบที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบาเพ็ญรักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วก็เจริญสติทำใจให้สงบเจริญสติอย่างต่อเนื่องต้องเจริญตลอดเวลาเพราะเวลาใดที่เราไม่เจริญสติเวลานั้นใจก็จะลอยไปคิดเรื่องต่างๆแล้วพอคิดแล้วก็จะไม่มีวันสงบใจจะสงบมีความสุขได้ใจต้องหยุดคิด สิ่งที่จะทำให้ใจหยุดคิดได้ก็คือสติสติก็คือการตั้งจิตให้รับรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ให้รู้หลายเรื่องเช่นให้รู้อยู่กับคำว่าพุโทโธพุธโทโธไปให้บริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปภายในใจอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วใจก็จะว่างใจก็จะเย็น แล้วถ้านั่งอยู่เฉยๆได้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบพอสงบแล้วก็จะมีความสุขที่ไม่เคยมีมาก่อนจะเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายจะทำให้เบื่อกับความสุขต่างๆที่เคยหามาจะเบื่อกับความสุขที่ได้จากการได้ลาบโจษสรรเสริญได้เสบรูกเสียงกลิ่นรสโผฏฐะพชนิดต่างๆ จะเป็นเหมือนฟ้ากับดินความสุขที่เราเคยได้จากทางร่างกายกับความสุขที่เราได้จากความสงบ ข, ของใจนี้เป็นเหมือนฟ้ากับดินถ้าเราได้รับความสุขทางใจแล้วเราจะทิ้งความสุขต่างๆไปได้หมดเราจะไม่สนใจเราจะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการสร้างความสุขทางใจ ให้มีเพิ่มขึ้นไปมากขึ้นไปตามลำดับไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่เรานั่งสมาธิเท่านั้นจะให้มีตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยตลอด24ชั่วโมงไม่ใช่แต่เฉพาะตื่นจนหลับเวลานอนหลับก็มีความสุขนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ส่งได้รับและพวกเราจะาจะสามารถได้รับเช่นเดียวกัน ถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อและเราน้อมเอามาปฏิบัติด้วยความวิริยะอุสาหะทุ่มเทชีวิต จ, จิตใจให้กับการปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าขอให้เราเชื่อว่าการปฏิบัติแบบนี้เป็นวิธีที่จะสร้างความสุขที่ถาวรให้กับเราเป็นวิธีที่จะยุติ ความทุกข์อย่างถาวอนให้แก่เราเป็นวิธีที่เราจะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปถ้าเราไม่รีบสร้างเสียแต่วันนี้เวลาของเราอาจจะหมดไปแบบกระทันหันก็ได้เราไม่มีใครรู้ว่าไม่มีใครรู้ว่าวันพวกนี้จะอะไรจะเกิดขึ้นเราจะมีชีวิตอยู่แบบนี้หรือเปล่าเราจะมีเวลาว่างที่จะมาปฏิบัติหรือเปล่า ไม่มีใครรู้ดังนั้นวันนี้เรามีเวลาว่าเราปฏิบัติได้ขอให้เรารีบปฏิบัติเสียแต่บัดนี้ไปเพราะถ้าเวลาหมดแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะได้พบกับพระพุทธศาสนาอีกเมื่อไหร่จะเป็นเวลาอันยาวนานและยากอย่างยิ่งที่จะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาและมีโอกาสได้มาปฏิบัติอีกครั้งหนึ่ง ครั้งนี้จึงถือว่าเป็นครั้งที่วิเศษที่สุดโอกาสงามที่สุดนานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งอย่าปล่อยให้โอกาสอันงามนี้หลุดมือไปขอให้พยายามรีบทากันรีบทาทานกันรีบรักษาศีลกันรีบปฏิบัติธรรมกันแล้วเราจะสามารถทำเพิ่มขึ้นไปได้ตามลาดับ ถ้าเราไม่เริ่มเลยมันก็จะไม่มีวันที่จะก้าวหน้าไปได้แต่พอเราเริ่มแล้วมันก็จะก้าวไปเรื่อยๆเหมือนกับเวลาที่เราเดินถ้าเราไม่ยอมลุกขึ้นมายืนแล้วเดินไปก้าวไปทีละก้าวเรานั่งอยู่กับที่เราก็จะไปไม่ถึงไหนถ้าเราอยากจะไปถึงไหนไม่ว่าจะใกล้หรือไกลมันก็ต้องเกิดจากการก้าวเท้าแรกนี้เอง พอเราเก้าวเท้าแรกได้เราก็จะก้าวเท้าที่สองได้ที่สได้ก้าวมันไปเรื่อยๆไม่ช้าก็เร็วเดี๋ยวมันก็จะต้องถึงจุดหมายปลายทางเองการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันขอให้เราเริ่มทําเสียแต่วันนี้ทําทานเพื่อตัดการใช้เงินซื้อความสุขแล้วก็รักษาสินเพื่อรักษาใจไม่ให้วุ่นวายไม่ให้เดือดร้อน แล้วก็ภาวนาทำใจให้สงบทำมากทำน้อยทำได้เท่าไหร่ขอให้ได้ทำไปเถอะทำแล้วมันจะมีการพัฒนาของมันเองมันจะมีการก้าวขึ้นไปเองเหมือนกับตอนที่เราเป็นเด็กๆ เ, เราก็เข้าอนุบาลกันพอเข้าอนุบาลแล้วเดี๋ยวเขาก็จับเราขึ้นชั้นป .1 ไปเองอยากป .1 ก็ขึ้นไปตามลาดับ แล้วในที่สุดก็มาจบปริญญาตรีโทอีกกันได้มันก็เกิดจากการที่เราไปโรงเรียนในวันแรกนี่เอถ้าเราไม่เริ่มไปโรงเรียนตั้งแต่วันแรกเราก็จะไม่มีวันที่จะสามารถเรียนได้ถึงระดับขั้นปริญญาต่างๆได้ฉะนั้นไดการปฏิบัติเพื่อมรักผลมิพานเพื่อการบรรลุเป็นพระอริยเจ้าขั้นต่างๆก็เกิดจากการ เริ่มทำทานตั้งแต่บัดนี้ไปเริ่มทําทานไปตามกําลังของเราเริ่มรักษาศีลไปตามกําลังของเราเริ่มภาวนาไปตามกําลังของเราแล้วเดี๋ยวมันก็จะพัฒนาขึ้นไปตามลําดับเองจนกลายเป็นผู้ที่มีความชํานาญผู้ที่สามารถผลิตมรรคผลนิพพานให้แก่ตนได้อย่างต่อเนื่อง นี่แหละคือสิ่งที่พวกเราควรจะให้ความสนใจกันคือมาพัฒนาชีวิตจิตใจเพราะเป็นการพัฒนาที่แท้จริงและยั่งยืนถาวรการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศล